ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมพระโพธิญาณในวันนี้ก็มาถึงจุดที่พระโพธิสัตว์ได้ตัดพระมลีด้วยพระขันอธิฐานเพศเป็นบรรพชิตที่นั้นแล้วก็ส่งมอบเครื่องทรงเครื่องประดับทั้งหลายให้ในายชนะนำกลับไปถวายแก่ราชาสกุล ในชนะเองก็กังวลเพราะว่าตามเสด็จพระชกุ ม, มารมาและพระจุลุ ม, มารก็หายไปก็อาจจะมีปัญหาขึ้นในด้านการนำความเข้าใจแต่ในที่สุดก็ต้องยอมปฏิบัติตามมากัรตรกาศนั้นคือถ้าเราดูอายุแล้วเนี่ย อายุก็ย9สิบเก้าปีแล้วเพราะว่าเป็นสาชาติกับประโพธิสัตว์อายุมาจริงๆจะเท่าไหร่ก็ไม่ทราบแต่เราถือว่าทศสัตว์แล้วก็แก่แล้วนะขนาดนี้ก็วิ่งมาด้วยกำลังเร็วแล้วก็ดูเหมือนจะเสร็จภารกิจนะพาภารกิจเป็นคู่บารมีที่จะนำเสด็จประโพธิสัตว์ห้ออกพนวด ก็ทำนองเดียวกับพระนางสิริมหามายาคือที่ท่านเล่าไว้ว่าที่ต้องที่วงคตตั้งแต่ประสูตรริโพรถได้แค่ห้าวันเท่านั้นเองก็ แ, แค่แค่เจ็วันเท่านั้นเองก็เพราะว่าประคันของพระนางนั้นได้ตั้งพระไถ่ที่ฐานไว้ขอเกิดเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าก็เรียกขอเกิดเป็นพระพุทธบิดา พระพุทธม า, ดารดาตอนภารกิจมันก็เสร็จก็เสด็จไปอุบัติเป็นเทพระบุติอยู่นสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นดุสิตนะเพื่อรอการอุบัติไปบังเกิดเป็นเทพระบุติไปเป็นเทพธิดาอีกครั้งหนึ่ง จะเป็นพระพุทธมารดาอีกครั้งหนึ่งก็จะบรรลุมรรคผลแล้วนะครับเพราะอย่าลืมว่าท่านเป็นพระโสดาบันไปแล้วพระโสดาบันนั้นก็ยังเกิดอีกยังชาญยังมากก็เจ็ดชาติต น, นั่นเองทีนี้การตัดพระมลีของพระโพธิสัตว์ในคราวนั้นนะพระตถาจารย์ท่านบอกแต่ก็มีลักษณะอะไรค่อนข้างสับสนอยู่คือท่านบอกว่า พระเกสาที่ตัดในคราวนั้นก็ไม่งอกอีกเลยจนเสด็จดับขันทะเป็นนิพพานถึงมันก็ขัดแย้งกันเนื่องจากพระกายของพระพุทธเจ้านั้นเป็นโลกยะนะฮะพระกายก็ประกอบด้วยขันธาตุยาตนะเช่นเดียวกับสามัญชนนี่เองมีเจ็บมีปวดมีเมื่อยมีธรรมดามีท้องผูกท้องเดินอะไรอะไรธรรมดา พมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาคนสังขารแต่ถ้าากพระประเกษาของพระพุทธเจ้าเกิดไม่งอกต่อไปเลยเนี่ยมันก็ขัดแย้งกันในความเป็นสังขารซึ่งสังขารจะต้องไม่เที่ยงนะครัทีนี้มันไม่ขัดแย้งกันจฉพอตรงนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเองก็ถูกพวกนอกาศาสนาที่พูดในทรรนองดูหมิน่น ว่ามุนดะปรวลาแนมุนดะสมณะสมณะโลนก็เรีกว่าขัวโลนว่ามีเหตุการณ์ต่างๆที่แสดงพระพุทธเจ้าก็ปรุงพระเกศาก็ทำให้ไม่มีจุดแตกต่างระหว่างพระพุทธเจ้ากับประสง์มีหลายๆเรื่องนะฮะยกตัว อ, อย่างเช่พนพระนพุทธานุชาตำกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย สี่นิ้วท่นั้นเองรานคนต่ำกับสี่นิ้วเนี่ยมันดูยาก น, นะจะเดินแต่ไกลเนี่ยเราก็ปุกลิกลักษณะก็คล้ายๆกันคนก็หลงพระสงฆ์ที่เห็นในหลงเตรียมตัวยืนรับเสด็จตั้งหลายครั้งพระมาะกดจะเย็นนะรูปงามสง่าคล้ายๆระพุธเจ้า ทำให้คนหลงว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าบ่อยๆท่านเลยต้องนิรมิต ร, ร่างกายให้เป็นพระปุง่งพระอ้วนพุ่งพุ้ยเกีเรียกว่าพระสังกัจจายพุระเจ้าทรงแลกพระสังฆิกับพระหมหากัะสปะได้จตในคำพีบอกว่ามีส่วนพระวรกายสูงถึงแปดศอกนันก็เกินไปะนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าจีวรขนาดสุขตประมาณนะฮะือประมาณคืบสุขตเนี่ยถ้าเราก็ห่มได้ธรรมดาคนไทยยุคปัจจุบันในสูงหน่อยส่วนสูงสักเจ็ดสิบห้าขึ้นเนี่ยนะฮะก็ห่มได้เพอแสดงว่าถ้าพระวรกายสูงตั้งแปดศอกอย่างนั้นมันมันไม่ใช่สนุกอะ่ะ เวลาพระพุทธเจ้าเสด็จมาอ้ตรงไกลมากสูงมากนะฮะแล้วก็ดูแล้วแทนที่จะน่าเคารพนับถือมันน่ากลัวไปในเมื่อคนรอื่นเล็กๆหมดแล้วพระพเจ้าเกิดใหญ่โตสูงลิบนะฮะแปดศอกนี่ไม่ธรรมดาตัวสูงผิด ป, ปกติอามากอันนี้บางทีเนี่ยเราน่าจะพูดถึงใหญ่โดยคุณหรือสูงโดยคุณ แต่พอ ร, รูปร่างกายเข้าไปใหญ่ไปสูงเนี่ยมันขัดแย้งกันเยอะก็เกินบางครั้งพระพุทธเจ้าต้องการเสด็จไปโปรดผูกพราหมณ์แต่กลัวพราหมณ์จะไม่กล้าเข้ามาใกล้ทั้งก็ผ้าจีวรคุมพระเกศสาไว้คุมพระเศียรไว้พราหม์ก็มองเห็นว่าเออคงจะเป็นนักบวชคงจะเป็นนักบวชใดพว ก, พวกหนึ่ง เขาก็มีอาหารที่เหลือจากการบูชาไฟก็ต้องการจะนำไปถวายพระพุทธเจ้าพอเขาเข้ามาถึงใกล้เข้าเนี่ยพระเจ้าก็ลงเลิกผ้าโพกพระเศียรออกอันนี้ก็ตกใจโอสมณะโล้นเหลือเนึกว่าเป็นบนรรพชิตพวกใดพวกหนึ่นงพอเสร็จแล้วก็นั่งคุยกันนะครับพอยังไงยังไงก็มาแล้วแต่ในที่สุดก็จบลงด้วยพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับอาหารเหล่านั้น เพราะว่าเป็นการได้มาที่ไม่ค่อยเรียบร้อยถ้ารับ น, นะนะไม่รับก็แล้วไปหรือว่าการที่พระเจ้าเสด็จไปพบกับท่านปุกุสาติในเรื่องการมนิวาสิทธิที่พบกันที่โรงช่างหม้อนะฮะคนที่เคยอ่านเรื่องวาสิทธิของยันนึกออกพวกคุยกันตั้งนานนะรุ่งเช้าเลย พยายามชี้แจงอธิบายเหตุผลธรรมะโดยวิธีการต่างๆแต่ก็ไม่เชื่อไม่เคยเชื่อเลี้ยวนะว่าภิกษุรูปนี้นะักบวชรูปนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพอมาถึงพระองค์กลิมาณนนะยิ่งแล้วใหญ่เลยกเราจะลืมนะครับว่าองค์กลิมาเป็นลูกของคัคคบปุโรจิต นางมันตานีพระมณีก็ฆ่าคาบุรุษเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นปุโรหิตของพระเจ้าประเสิทนิโกศลกพนั น, นตอนอุกริมานเกิดเนี่ยมันก็ต้องเคยพเบเห็นพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้ามีพุทธลักษณะอย่างนั้นจริงคือพระสิทธิสูงผมยาวผิดปกติจริงปเทวทัตเห็นข้างหลังมันก็น่าจะจําได้นะ แต่ว่าตอนที่ล่าลาบรลวพุทธเจ้าไปแกก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่านักบวชประเภทภิกษุนี่ท่านต้องเคยเห็นเพราะว่าท่านเติบโตอยู่ในเมืองพระสาวกที่พระเจ้าก็อยู่ที่ป่าบศรีสาวกทีตั้งนานแล้วพระทั้งหลายก็เที่ยวจาริกไปมไปไหนมาไหนกันอยู่เห็นกันอยู่แตกตะโกนเรียกว่าส ม, มณะหยุดก่อนแสดงว่า ไม่มีอะไรเป็นที่สังเกตตอนพระเจ้าชาติสูรเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ชีวกรรมพวันเป็นการสเสด็จเฝ้าในตอนกลางคือพระเจ้าชาติสูก็ไม่ได้อาศัยในยะที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีมุ่นพระเกศาหรือว่ามีพระเกศายาวกว่าภาษาวกทั้งหลาย แต่ก็บอกหมอชีวกโกมาเราผัดว่าท่านจะหาวิธีสังเกตตัวเองว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าหมอชีวกไม่ต้องบอกแต่มันก็เป็นธรรมเนียมของพวกฮินดูไม่ใช่พวินดูคือพวกพราหมณ์แหะก็แบบเดียวกับเราอ่ะนะบบเดียวกับเราที่เราแชร์กันก็คือว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่นั้นคือดูวิธีการนั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาประทับนั่งอย่างนั้นก็นั่งเป็นอัธยาศิลป์ครึ่งวงกลม ด้านพระปาหาขวาก็เป็นภาษาริบุตรปารหาซ้ายก็เป็นพระโมคคัลลานะโน่นนั้นพระก็นั่งเรียงเป็นแถวไปเลยแล้วก็พระเราอื่นก็หันหน้าเข้าหาพระพุทธเจา้าพระแถวนี้ก็หันหน้าออกหันหน้าออกแล้วอีกด้านหนึ่งก็หันหน้าเข้ามันก็เป็นครึ่งวงกลมที่มีความพร้อมจะฟังธรรม หรือโอวาดเรื่องอุศสาสนีอะไรก็ตามตา ม, ตามที่พระเจ้าลำ ร, ร, รัดสั่งแต่อัตนามันก็สูงกว่าเพราะพรเจ้าชาติูก็สังเกตได้นะองค์ไหนเป็นพราพุทธเจ้าพระเจ้าหันประปิดสดงไปถางต้นไม้งอนพระพักออกไ ป, ไปสู่สสพวกภิกษุทั้งหลายซึ่งนยหานหน้ากลับเข้ามาเาสังเกตได้แต่ไม่สังเกตจากพระเศีนยนก็โตลง ตกลงว่าตรงนี้มันเป็นค่อนข้างเป็นในยะแต่ว่าการทำพระพุทธรูปของเราเดี๋ยวมันสืบต่อกับคติของกรีกมาแล้วกรีกนั้นก็มีการผสมผสานเทพเจ้าอภรณโลกกับเทวดากับราชกุมารกับพระพุทธเจ้านะคือพระพุทธเจ้านั้นเป็นทั้งราชกุมารแล้วก็เป็นทั้งพระพุทธเจ้าแต่เขาก็นัาถือเทพเจ้า ในขณะเดียวกันเทพเจ้าตัวยิ่งใหญ่ของท่านและหนุ่มหล่อรูปงามเนี่ยคืออพอลโลหรือสุริยเทพของเขาเลยก็เอามาผสมผสานผนึกเข้าเป็นองค์เดียวกันเราจะเห็นมาตั้งแต่ปลายปลายเลยนะครับข้างปลายข้างบนเนี่ยปีมุ่นประเกศาแล้วก็มีปินปักทประโมอรีตัวนี้แสดงนึงความเป็นกษัตริย์ ประพักสวยงามสง่างามแสดงทั้งเป็นราชกภูมานทั้งกษัตริย์ทั้งพระพุทธเจ้าทั้งเทพเจ้านะโตสวยงามทั้งนั้นแล้วก็มี เ, เรียกอุณหิทมีกรอบระพักแล้วก็มีรูปของอุณาโลมอยู่ที่พระพักอันนี้ก็คือเป็นมาุริสลักลักษณะของพระพุทธเจ้า แล้วก็มีประการยาวแต่ไม่ถึงก็ถึงหูอย่างที่ยุคหลังก็ทำนั้นก็แสดงถึงความเป็นหมาบริสารลักษณะพระวั า, ายรสูงสูงสง่าสง่า ง, งามก็กลายเป็นเป็นเป็นสามอย่างผสมนะหมายความว่าเป็นอภรรโลด้วยเป็นหมาบุรุษด้วยแล้วก็เป็นอุเดจ้าด้วย แต่ว่าต่อมาเราก็มาคิดเป็นปริศนาด้านต่างๆว่าทำไมจึงมีพระเศียนเป็นเปลวเพลิงทำไมจึงมีมุ่นประเกศสาเป็นพระศบอะไรก็ว่ากันไปก็มีการอธิบายแล้วใครไปยอมรับในจุดไหนก็เชื่อถือกันในจุดนั้นยู่บางทีมันอาจจะเป็นงานศิล แต่ว่าเมื่อทําให้เป็นปริศนามันก็สามารถคิดเป็นปริศนาได้คือดมาความว่าจะมองจะมุมไหนก็ตามเราคามประโยชน์ได้แต่ตรงนี้ต้องการจะมองในมุมประวัติศาสตร์นะคือมุมประวัติศาสตร์มันต้องพิสูจน์ทดสอบด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ก็ทําให้มีประเด็นที่น่าตั้งข้อสังเกตดังกล่าวจะไงก็ตามเมื่อ โปร่งได้เสด็จออกประวดเนี่ยเดลือมาตอนนั้นยังอยู่ลำพังพระองค์การจะเสด็จไปไหนมาไหนเนี่ยเ้าก็ไปําลลำพังนึกดูเดี๋ย ว, ว่าราชกูุมารออกจากวังรุ่งขึ้นเช้าเนี่ยเป็นนักบวชเร่ร่อนไปเลยรู้จะไปไหนเพราะว่า เราไม่ได้ชำนาญทางภูมิศาสตร์ทางท้องถิ่นต่างๆแล้วก็เข้ามาในเขตกรุงราชครึ่ไปแล้วในช่วงตรงนี้ท่านเล่าไว้โดยเฉพาะในประเทแผ่งทวีปเอเชียเล่าถึงการเข้าไปในพิธีบูชายันของพระเจ้าพิมพิสารนะโดยการเสด็จอุ้มลูกแกะไปด้วย ที่ถูกต้อนไปในพิธีกรรมบูชายัญเราสามารถใช้วาทะโวหารซึ่งทุกคนตื่นตะลึงถึงพระวาจาว่าเป็นสัจธรรมที่ทนทานพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงอย่างนั้นแล้วก็ทำลายพิธีกรรมในการบูชายัญของพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งอาจจะใช้โอกาสอื่นมามาก่าวในช่วงตรงนี้แต่เราในส่วนของเราในส่วนของปฏิบอดกเนี่ยนะครับเพื่อพูดถึงการเสด็จเข้าไปในกรุงรัชช์รือแล้วก็เสด็จผ่านพระทยระัยพระชวังของพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าพิมพ์สารทอดพระเนตรเห็นทางพระแกลก็รู้สึกทึ่งประทับใจแล้วก็อศัศจรรย์ว่าเป็นนักบวชที่งามสง่ามากแสดงถึงความยิ่งใหญ่มากมีวันหผ่องใสสวยงามผิดกับวันะนักบวดทั่วๆไปซึ่งตามปกติแล้วมักจะมอมแมมเพราะเกิดสมกระไทย ก็ส่งคนคอยติดตามไปดูซิว่านักบวชรูปนี้เป็นใครมาจากไหนและจะไปพักอยู่ที่ไหนองค์ก็จะขอไปพบด้วยเมื่อมาไปติดตามก็พบว่าพระโพธิสัตว์ไปประทับอยู่ที่ภูเขาซึ่งไม่ใหญ่นักเรีย ก, กว่าปันดาวะตราเป็นข้อความในปปะชาสูตรในสุตตานิบาตุตตกานิกายนะ พระเจ้าพิมิสารพร้อมด้วยข้าราชาบริพารก็ได้เสด็จไปใกล้ภูเขาปันดาวแล้วเพื่อแสดงความเคารพต่อนักบวชซึ่งไม่ปรากฏพระนามและพระองค์ก็เข้าไปหาสนทนาสอบถามไ่ทราบใจความมันก็บอกให้เข็นถึงความเป็นมาเป็นไปของพระโพธิสัตว์ ว่าเป็นใครมาจากไหนมีเจตจำนงอย่างไรแล้วก็ที่เสด็จออกพนวดนั้นต้องการอะไรซึ่งก็มีข้อที่น่าสังเกตว่าพระเจ้าพิมพิสารได้ขอร้องให้พระโพธิสัตว์ในเสด็จสึกออกมาเพื่อจะได้ครองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินร่วมกัน เรงวิธีนี้มองไปได้หลายแนวนะฮะแน่หนึ่งพระเจ้าพิมิสานอาจจะระแวงเพระราจะกุมารสิริสถานนั้นปลอมพระองค์มาเป็นจารชนเพื่อจารกรรมเหตุการณ์บ้านเมืองในกรุงราชครึกวันก็อาจจะเป็นวิธีทดสอบเพื่ออาจจะเกิดสรัทธาเลื่อมใสหรือต้องการจะทดลองทะลองน้ําพระไทยว่ามีความเด็ดเดี่ยวขนาดไหนแต่ในที่สุดก็จบลงด้วยพระองค์ปฏิเสธ ไม่ยอมรับแล้วก็แสดงความชัดเจนนะว่าพระองค์มุ่งไปสู่ทางเดียวคือการจัดสรุปันเดงจะไม่ข้องเกี่ยวกับในอารมณ์ทั้งหลายจนแน่ปะทยแล้วก็ขอพรเพื่อให้เจ้าชายเมื่อได้จัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้เสด็จมาโปรดโรงด้วยทีนี้ประเด็นที่ท่านบอกเนี่ย นั่นเล่าเป็นใจความว่ามันมีประเทศประเทศหนึ่งอยู่เชิงภูเขาหิมาลัยได้นามบา ก, กบินละปัตเป็นที่อยู่ของโพสักยะโกลิยะแต่ละลาวมาถ้ามีอยู่ประโยคหนึ่งใครก็ว่าปนดินแดนแห่งแควนโกศลซึ่งก็ตรงกับพระาชบัญญัตของพระเจ้าเปรเซ น, ท, นที่บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระชนพรรษาแปดสิบ ข้าพระองค์ก็แปดสิบพระผู้มีประภาคประชาชนพัญธาไม่ใช่เป็นกษัตริย์ข้าพระองค์ก็เป็นกษัตริย์พระผู้มีพระภาคาเจ ก, ก็เป็นชาวโกศนข้าพระองค์ก็เป็นชาวโกศนแต่คำว่าโกศลในที่นี้มันเป็นรัฐในเชิงอารักขาของแฟนโกศน์คือไม่ถึงก็เป็นชาวโกศนเพียงแต่ว่าเป็นรัฐเล็กก็อยู่กระชิดเป็นเชิงพันธมิตรกับแฟนโกศล เ ม, ม, ม้าข่าเมื่มีศึกเสือเนื้อใต้เกิดขึ้นเนี่ยแคนกุโซก็ต้องปกป้องเอาไว้คล้ายๆทำนองคล้ายๆรับกันชนแต่ในขณนะเดียวกันถ้าอยู่ดีมีสุขสวยสากรทั้งหลายนีย่มันก็เกิดขึ้นก็เป็นของกบิลพัฒกับเทวทหาตเองเพียงแต่ว่าถ้าเมียอันตรายคล้ายๆกับประเทศบางประเทศเนี่ยไปร่วมกันในจุดของต่างประเทศกับการทหารคือว่า กระทรวงต่างกับประเทศกระทรวงกลาโหมเนี่ยประเทศใหญ่ก็มีหน้าที่ดูแลในเรื่องงานต่างประเทศกับงานความมั่นคงส่วนเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องภายในของเขาที่จะจัดการกันเองนี่ก็เป็นเป็นการแสดงถึงความหนักแน่นภายในประเทศไทยของพระพุทธเจ้าตอนนั้นที่จริงก็เป็นเจ้าชายเป็นราชกุมารเป็นนัก บ, บวชเร่ร่อนอยู่ด้วยนะ คืออยากหาตกลงพระไทยไม่ได้ว่าจะอยู่ตรงไหนกันแน่แต่รูน้ำพระไทยและเด็ดเดี่ยวมากๆก็มีคนเขียนขึ้นเป็นพุทธประวัติก็บอกไว้ฉบับค้นพบใหม่คือมาอ่านแล้วก็หงุดงหงิดนะฮะว่ามาเขียนขึ้นมาทำอะไรมันก็เหมือนกับการเขียนเรื่องพระพุทธเจ้านิพานด้วยโรคอะไรอนะ่เนี้ย ที่เมตานันโตก็เขียนขึ้นเนี่ยคืออ่านแล้วไม่เห็นมันได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์แก่ตัวเองไม่ได้ประโยชน์แกประสาศาสนาไม่ได้ประโยชน์แกพุทธศาสนกาสนกชนเป็นการทําลายบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสนาของตัวเองดังนั้จะชื่นชมแกยังไงไม่รู้พระองค์นี้ทําอะไรบ่อยๆนะเปเพี้ยนออกมาบ่อยๆแต่อย่าอาศัยรูปแบบของนักบวชนี่แหละมาครองตัวเองอยู่ ซึ่งถ้ามีท่าทีต่อพระพุทธเจ้าอย่างนั้นที่จริงไม่ควรจะอยู่เป็นพระควรจะสึกหางลาเพศออกไปเสียเผื่อไม่เกิดเป็นปัญหาในด้านความรู้สึกนึกคิดของพุทธศาสนิกชนเวลานี้ก็แปลกนะคนที่ได้ข่าวคราวต่ า, วางๆทีเจอที่ไหนก็สอบถามอยู่บ่อยตัวโรงเวียนี้ต้องตอบ ป, ปัญหาธรรมกายซ้อนธรรมกายธรรมกายธรรมชโยก็ตอบผันไปตัวนี้เป็นลูกศิษย์นะองค์นี้เป็นลูกศิษย์เราก็ต้องตอบอีกเรื่องนึ่ง พราะ ง, งั้นการดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าของเจ้าชาทิตตต ะ, ะตรงนี้อย่าลืมว่าท่านยังเป็นเจ้าชาทิตตต ะ, ะแต่ว่าน้ำทระไทยนั้นมันหนักแน่นไปด้วยบารมีธรรมไม่ถูกโยครอนหวั่นไหวในพุทธวัติค้นพบใหม่เนี่ยบอกว่าเจ้าชายถาดแท้มมติในที่ไปชุมคือกบินละพัโรกระเทวดาหะไปแย่งน้าในแม่น้โรดีกันแต่ว่า ทิฏฐะไม่ยอมไม่รบ ก, กันประโวดแล้วก็แพ้ก็เสียประเทศไทยแล้วก็สเสด็จหนีออกมาแล้วเขียนแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะว่ามันไปทำลายเรื่องราวต่างๆที่เป็นปนัญหาข้อเท็จจริงสงครามแยงน้ำมันเกิดทีหลังเมื่อพระโพธิสัตว์ได้จัดสรูปเป็นอระพุทธเจ้าแล้วตั้งนานนะจึงเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมา คือหนังสือบางเรื่องเนี่ยเราไปตื่นเต้นกับคนต่างชาติข้อคิดของแม่ตานันโทที่เอามาได้จริงๆเอามาจากมายานบ้างเอามาจากจีนนะฮะซึ่งก็เป็นมายาญมาจากฝรั่งบ้านไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะคือถ้าคนต่างศาสน า, า, าแล้วก็เขียนไว้เถอะว่าเขาเป็นคิดเป็นศัตรูอยู่แล้วแต่คนที่เราไปเขียนเนี่ยแสดงว่าเธอคิดเป็นศัตรูต่อศาสน า, าหรือจะคิดเป็นศัตรูต่อศาสน า, ศาทําไมเธอจึงอยู่ในเพศของภิกษุ จึงเป็นปัญหาที่รอคำตอบแล้วคนทุกคนเนี่ยควรควรจะคิดคำถามตรงนี้ให้รู้ว่าทำทำไมทำไปเพื่ออะไรทำแล้วเนี่ยสังคมพระาศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ ย, าาาา ต, ยตัยเล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าไปแตะต้องอะไรท่านไม่ได้หรอกแต่ว่าพุทธศาสนิกชนหรือว่าผู้รับข้อมูลข่าวสารได้ประโยชน์อะไรจากการเสนอในลักษณะนี้ ท่าฟังทัหลายใต้ร่มประโรธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี